ก็กาบบูชาปรัตนตรัยกาบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กบาบกระวะพระจันทรสงสินหลงปูกรมพระเทระพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแมช่ชีและก็อุบ า, บาสิกาทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> ปกติวันพุธนี้เป็นกิวของพระจานทร์สุรินนะก็สลับสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ <c oughs> วันนี้ตรงกับวันพุธนะที่ส3บสาสิงหาคมพุทธศักราช2557 ถ้านับเวลานะก็หลวงพว่อคมเขียนเนี่ยนะก็ครบ78ปีนะตั้งแต่ท่านเกิดขึ้นมาแล้วนะก็เข้าสู่ปีที่79ถ้านับพรรษาก็เป็นพรรษาที่47นะับนรพรรษานี้เอ่อเท่าที่ตัวกระผมนิจมาเอง นะได้พบกับหลวงพ่อคำเขียนนะประมาณปี2 5 2 2หรือ23เนี่ยนะตลอดระยะเวลา30บกว่าปีเทนะ่าที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้นำสิ่งที่ท่านได้พูดนะมาปฏิบัตนะิก็มีเรื่องเดียวที่หลวงพ่อคำเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอก็คือเรื่องของการเจริญสติ ในแนวเคลื่อนไหวตามอย่างที่หลวงพ่อเทียนที่ท่านได้แนะนำพร่ำสอนเอาไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยถ้านับถึงปีนี้ก็ถือว่าเกินกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งตัวหลวงพ่อคำเขียนเอง <c oughs> ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้ <c oughs> ท่านพูดอยู่เสมอนะ ว่าให้เรารู้สึกตัวนะไปที่กายเคลื่อนไหวแล้วก็จะเห็นใจที่คิดนึกซึ่งคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่หลวงพ่อเทียนนะท่านพูดอยู่เสมอว่าให้ดูกายเคลื่อนไหวใจเห็นใจคิดนึกนะทีนี้ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อคำเกียนท่านก็มาต่อกันมาอีกนะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรม ดูกรรมเห็นนิพพานดูอาการเห็นปรมัตนะนี่ก็เรียกว่าเป็นการขยายความซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานําไปปฏิบัตินะเราก็จะเห็นผลว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราฟังแค่ผ่านๆแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติ <c oughs> มันก็ยังไม่เกิดผลนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกเออเห็นด้วยนะแล้วก็เป็นจริงแต่ว่ามันติดอยู่ที่เราคิดรู้นะเราไม่ได้ปฏิบัติลงไปเท่าที่ตัวกระผมนิทมาเองได้พบกับหลวงพ่อคำเขียนนะครั้งแรกเนี่ยนะความรู้สึกอันหนึ่งที่ประทับใจท่านมากก็คือ เราได้เห็นอาการที่สงบเย็นของท่านนะซึ่งไม่เคยเจอพระที่ไหนนะที่สงบเย็นขนาดนี้นะซึ่งครั้งแรกที่ได้พบกับท่านที่วัดสนามในนะประมาณปี2อ2 2เนี่ยช่วงนั้นพอดีหลวงพ่อกำเขียนไปช่วยหลวงพ่อเทียนนะสอนเจริญสตินะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเพิ่งจะจบ นะจะมาวิทยาธรรมศาสตรนะ์ตอนนั้นก็สนใจไปศึกษาปฏิบัติธรรมก็มี <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือคำพูดของท่านคือท่านพูดภาษาที่ฟังง่ายนะง่ายกว่าหลวงพ่อเทียนเ พ, พราะหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะพูดภาษากลางเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่ท่านจะพูดเป็นภาษาอีสาน นะแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดภาษาภาคกลางให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะปัญญาชนนะในสมัยนั้นเนี่ยได้ฟังและเข้าใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสอนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเอามา <c oughs> พูดให้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้นะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคําพูดหลวงพ่อเทียนจะปฏิบัติไม่ได้นะก็ปฏิบัติได้เหมือนกัน ในสมัยที่กระผมนด้จะมาได้ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะฟังผิดนะแล้วเราก็ปฏิบัติผิดคือไปจับประเด็นเอาว่าการเจริญสติเนี่ยก็คือให้ดูความคิดให้ดูจิตนะให้ดูเคี่ยวความคิดให้ดูจิตไปเลยนะมันคิดอะไรขึ้นมาให้รู้ทันมันมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่มันดับไปอย่างไงให้ดูไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเพลินไปเผลอไปไปจมอยู่กับความคิดคิดเรื่องที่หนึ่งก็ตามไปพอจบเรื่องที่หนึ่งก็คิดเรื่องที่สองก็ตามไปนะซึ่งก็จะมีอาการที่รู้สึกหนักๆมึนๆงนงๆ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอดีช่วงนั้นหลวงพ่อคำเขียนนะได้ไปที่วัดสนามในนะก็ไปพาพวกเราปฏิบัติแล้วก็ <c oughs> ช่วยหลวงพ่อเทียนนะสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติการสอบอารมณ์สมัยก่อนก็ไม่ได้มีเป็นห้องเป็นหับเป็นพิธีรีตองอะไรมากนะส่วนใหญ่เราก็ หลวงพ่อท่านก็จะปฏิบัติกับพวกเราเนั่แะนแหละเดินงมคมสร้างจังหว ะ, ะอยู่ในบรรยากาศของวัสนามใ น, นเมื่อเรามีข้อสงสัยมีปัญหาเราก็เข้าไปถามท่า น, นตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราหนักหนักหนงนงเราตื้อตื้อมึนมึนเพราะเราคอยไปเพ่งไปจ้องที่จะดูความคิดว่ามันโผล่ขึ้นมาอย่างไรมันไปอย่างไงาซึ่งตรงนี้เนี่ย นะก็ได้ไปเรียนถามหลวงพ่อคําเขียนนะท่านก็บอกว่าโอ้อย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันคิดอะไรอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าไม่ต้องไปตามมันนะมันคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปรู้ทันมันให้มารู้ทันที่กายก่อนให้มารู้สึกตัวที่กายให้ชัดๆก่อนนะ ตรงเนี้ยท่านบอกว่ากำลังของสติของสมาธิเรายัางมีไม่พอเราจะไปดูความคิดซึ่งมันไวมากเนี่ยมันไม่ทันกันนะเมื่อมันไม่ทันกันเนี่ยเราก็จะตกจมไปอยู่ในความคิดนะแล้วมันก็จะมีอาการมึนๆตื้อๆบางทีมันก็เครียดขึ้นมานะเพราะเราไปเล่นกับความคิดนะไปเล่นกับจิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไวมากนะ เรนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่มีตัวที่จะต่อรอง <c oughs> ไม่มีตัวที่จะไปรู้เท่าทันแลก็คือตัวความรู้สึกตัวนั่นเองลหลวงพ่อคำเกียรติก็ได้แนะตรงนี้ในสมัยนั้นตัวผมนิธรรมก็ได้นำสิ่งที่ท่านได้พูดเนี่ยไปทำและก็คือเราเบนความสนใจหรือมาให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว นะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมสร้างจังหวะนะเราก็มาสนใจมาใส่ใจกับกายที่เคลื่อนไหวนะซึ่งก็ลองทำดูนะประมาณ3มวัน5วันเนี่ยนะในช่วงนั้นที่เป็นการปฏิบัติก็มีการจัดปฏิบัติเหมือนกัน7วันนะที่วัดสนามในแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะเป็นกลุ่มอย่างที่นี่หรอกนะก็คนสนใจก็ไม่มากนะทอยู่สักวันสองวันนี่แหละ นะพอเรามาทำความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมาสนใจสังเกตตรงนี้เนี่ยนะพบกฏว่ามันก็หลุดจากความคิดคำว่าหลุดจากความคิดในที่นี่หมายถึงว่าความคิดมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่สนใจเลยเราไม่ต้องไปตามดูมันเลยว่ามันเกิดยังไงมันไปยังไงมันจบยังไงแรกๆเนี่ยนะความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันทาให้เราใจเนี่ย ซึ่งมันเคยหลงไปกับความคิดเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่กายแล้วกายเนี่ยมันเป็นท่อนเป็นเป็นตัวเป็นตนลักษณะอย่างนี้นะมันทื่อๆนะมันไม่ไม่กลับกรอกมันไม่หลอกนะมันปวดมันก็บอกปวดมันเมื่อยมันก็บอกเมื่อยมันร้อนมันก็บอกร้อนนะมันเย็นมันก็บอกเย็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเริ่มสัมผัส นะกับความรู้สึกตัวแต่ก็ยอมรับ ว, ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้สึกชัดจริงๆนะก็เพียงแต่รู้บ้างเป็นบางครั้งบางเวลาก็ยังมีเผลอนะเผลอไปกับความคิดเพราะว่า <c oughs> เราเรียนหนังสือมาเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยเขาสอนให้เราคิดคิดหาเหตุหาผลใช้ความคิดต่างๆนานาแม้แต่มาเรียนธรรมะเราก็ใช้ความคิดพยายามที่จะให้เข้าใจธรรมะด้วยความคิด นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้เราพัดหลงไปสู่ความคิดเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นมันก็รู้สึกตัวบ้างเป็นบางครั้งบางเวลานะความคิดก็เข้ามาแทรกบ้างนะความง่วงความเบื่อนะําก็เข้ามาแทรกอยู่ตลอดแต่เพราะความที่เรามีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเทียนก็ดีตัวหลวงพ่อคาเขียนก็ดนะีเราก็มีความตั้งใจอยากที่จะศึกษาอยากที่จะปฏิบัต นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยฝึกแบบใช้ลมหายใจนะซึ่งตรงนั้นก็ทําให้เรามีความสงบในขณะที่เรานั่งหลับตาในขณะที่เราเล่นลมหายใจนะแต่ว่า <c oughs> เมื่อเราเลิกนะจากการนั่งหลับตามาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะบางทีเราก็ไม่ทันกับอารมณ์ไม่ทันกับความคิดจริงๆแต่ขณะที่เรานั่งเนี่ย บางทีมันก็เป็นการกดข่มกดข่มอารมณ์กดข่มความคิดไม่มันคิดไม่ให้มันแสดงอะไรออกมาให้มันนิ่งๆนะซึ่งตรงนั้นก็เย็นสบายดีนะแต่บางครั้งก็ทำได้นะบางครั้งก็ทำไม่ได้มันไม่ใช่ทำได้ทุกครั้งนะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนเริ่มต้นนะของคนที่เริ่มต้นใหม่ๆ แต่เมื่อได้มาเรียนรู้ในวิธีการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวจากหลงพระเทียนแล้หลงพระคำเขียนเนี่ยนะเราก็เริ่มที่จะประยุกนายเห็นว่าสติที่เราฝึกได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะก็ยังพอที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้บ้างไม่ถึงกับมากนะเมื่ออะไรที่เราเผลอไปนะมันก็ตกจมไปอยู่ในอารมณ์นะถ้าเรารู้ทันนะมันก็ ตื่นตัวขึ้นมารู้ทันนะมันก็การปลดเกิดการปลดปล่อยปล่อยวางนะซึ่งสิ่งนี้เราได้ยินได้ฟังมานานเราได้อ่านหนังสือมาเยอะนะสมัยนั้นก็ถือว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตตำราออกมามากมายแล้วก็เป็นตำราพุทธศาสนาที่พูดถึงการปฏิบัติพูดถึงหลักธรรมนะที่เป็นจริงในความเชื่อของเรา นะแล้วก็เป็นภาษาที่ร่วมสมัยด้วยถ้าเราไปอ่านพระน์ใปิด ก, ก็ดีไปอ่านหนังสือของพระรุ่นเก่าๆก็ดีเต็มไปด้วยสับแสงของภาษาบาลีนะซึ่งเราไม่เข้าใจนะเป็นคำธรรมะมากมายนะซึ่งเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่สมัยปฐมมัธยมนะก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ห่างไกลนะแต่ว่าเมื่อได้อ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสนะแล้วก็ได้มาปฏิบัตินะก็ทาให้เราเข้าใจว่า สิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ทาได้แม้ว่ามันจะได้ผลในขณะนั้นเล็กๆน้อยๆก็ตามนะก็เริ่มมีความเชื่อมีความศรัทธามีความสนใจนะที่จ ะ, ะพัฒน์ปฏิบัตนะิในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงของการแสวงหานะนะช่วงนั้นไปกินมังสวิรัตนะกับนะท่านพ่อโพธิักษ สันติโยโซกนะไปเรียนรู้วิธีฝึกธรรมกายนะของวัดพระธรรมกายนะไปเรียนวิธียุบหนอพองหนอนะก็เรียนรู้มาทุกอย่างแม้แต่สำนักปู่สวรรค์สมัยก่อนนะเรื่องโลกทิพย์โลกสวรรค์อะไรก็ไปนะด้วยความที่เราเป็นคนที่แสวงหาซึ่งตรงนี้ก็เปถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับประสบการณ์ นะแต่สิ่งที่ประทับใจแล้วก็ตึงใจแล้วก็นามาใช้ในชีวิตจริงๆก็คือการเจริญสตินะอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนได้สอนแล้วเราก็เอามาทำสิ่งที่ได้มากๆก็คือช่วงปี2 5 2 5นะได้มีโอกาสไปบวชนะอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะที่วัดโมนะตอนนั้นหลวงพ่อเทียนไปจำบรรสาที่นั่น นะช่วงของการจำบรรษาบทในครั้งนั้นเนี่ยบรรยากาศเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ต้องทำเลยเพราะว่าการงานอย่างอื่นนี้ก็แทบจะไม่มีที่วัดโมกเนี่ยนะเพราะว่าอยู่กันเรียบเรีย บ, ยบง่ายๆและคนก็ไม่มากหนะลวงพ่อเทียนก็ตื่นเช้ามาก็ไหวพระสดมนแล้วท่านก็พูดให้ฟัง นะแล้วก็เราก็ปฏิบัตินะไปบินทบาท <c oughs> กลับมาช่วยงานส่วนรวมนะเล็กๆน้อยๆนะหลังจากนั้นเวลาทั้งหมดเราก็ให้ไปกับการปฏิบัติการเดินจงกรมการสร้างจังหวะต่างคนต่างทำนะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรามีความมีโอกาสนะในการที่จะปฏิบัติ นะในช่วงนั้นประมาณ <c oughs> ทำอยู่อย่างนั้นแหละนะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้พูดนะได้สอนแล้วเราก็เอามาปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะให้ดูกายเคลื่อนไหวใจเห็นใจคิดนึกนะตรงนี้นะัเราก็ามาปฏิบัติช่วงที่เริ่มเข้าใจว่า <c oughs> สิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้พูดนะว่าในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้จักรูปนามเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางพรรษาขณะที่เราไปเดินบินตบาตนะขณะนั้นเนี่ยนะเราเดินบินตาบาทไปเราก็รู้สึกกับเท้าที่ก้าวไปนะซึ่งเช้าวันนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวชัดมากนะขณะที่ก้าวเท้านะขณะที่เรารับบินฑบาด เราก็สังเกตเราก็ดนะูกายที่มันเคลื่อนไหวนะแล้วก็ <c oughs> เดินกลับมาที่กุฏิขณะที่เอาน้ําล้างเท้าลงไปเนี่ยความเย็นของน้ำเนี่ยมันสัมผัสกับเท้าของเราความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมานะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวนะที่กายมันชัดมากๆนะมันรู้ไปทั้งกาย รู้ไปทั่วเลยนะทั้งร่างกายนะแล้วเราก็มาฉันนะ <c oughs> ว, วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยสนใจนะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะเราเริ่มสนใจสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะ <c oughs> ครังคคกมันกระโดดเนี่ยเราไม่เคยได้สนใจไม่เคยได้ดูนะกิ้งเหรนกิ้งกือมันเลื้อยเนี่ยเราไม่เคยสนใจเพราะแต่ก่อน เราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ไปสนใจกับความคิดสิ่งต่างๆคำสอนของครูบาอาจารย์เอามาคิดเอามาปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ใจมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันมาสัมผัสมันมาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เข้าใจนะความหมายหรือสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้พูด ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ดูรูปรูน้ำคําว่ารูปนามในที่นี้ก็คือกายแล้วก็ใจนั่นเองนะความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวแล้วก็เห็นใจที่มันคิดมันนึกไปต่างๆนานาอันี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเห็นว่าโอ้ช่องมันอยู่ตรงนี้นะที่เราเจริญสติที่เรารู้สึกตัวออกมาอยู่ตรงนี้นี่เองก็สังเกตแล้วก็ดูตรงนี้นะ ก็เห็ น, นที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า <c oughs> มันจะไม่มีการพัดหลงมันมีเหมือนกันมันเผลอไปบ้างมันพัดหลงไปบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่เรากลับมาได้ง่ายกลับมาได้ไวไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยพอมันคิดไปเนี่ยเราก็เพลนไปกับความคิดคิดไปสิบเรื่องยี่สิบเรื่องร้อยเรื่องนยบางทีไม่รู้เลยนะ แต่พอเรามาเริ่มที่จะรู้สึกกายเคลื่อนไหวเนี่ยความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันคิดแวบไปนะโอ้มันกลับมาได้เร็วนะตรงนี้นะก็เป็นพัฒนาการที่เราเริ่มเห็นนะซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราทําย้ําลงไปตรงนี้บ่อยๆนะก็คือมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเมื่อกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นใจที่มันคิดนึกชัดเจนขึ้น ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่แรกๆเราก็ไม่รู้นะเราไปแนบอยู่กับกายซัจนบางทีไม่สนใจความคิดเลยก็มันได้ยินหลวงพ่อเทียนพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเริ่มรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยน ะ, นะก็ให้สังเกตใจที่มันคิดนึกด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยเราก็ดูมันเราก็สังเกตมันทีนี้พอเรามีหลักที่กายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันคิดแวบขึ้นมาแล้วก็รู้ทันมัน แต่เราไม่ตามมั น, นตรงนี้ก็เริ่มสนุกละมันมีความคิดสารพัดเข้ามาเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนหนังสือมันก็โผล่ขึ้นม า, นาแล้วก็มันก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตเราจะไปทำอะไรยังไงต่อตอนนั้นทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมัยก่อนก็เรียกวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ทางภาคเหนือนก็ สมัยนั้นก็ยังขนาดบวชแล้วนะก็ยังคิดถึงเรื่องจะไปทำเอ่อสิ่งที่เราจะไปทาต่อจะไปสอนใครดีนะจะไปพูดให้ใครดีอันนี้มันเริ่มละมันเริ่มหลงไปละนะเริ่มเข้าใจว่าตัวเองรู้นะพอเข้าใจว่าตัวเองรู้นี่ก็อยากจะไปพูดอยากจะไปสอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงๆมาได้ยินหลวงพ่อเทียนพูดถึงวิปัสสนูให้ระวังนะคนที่เริ่มรู้ใหม่ๆเนี่ย <c oughs> อยากจะพูดอยากจะสอนคนนู้นคนนี้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดสะ ก, กิดใจเราจากการที่ท่านมาเทศได้ยินได้ฟังนี่แหละเราก็เลยมาเอะใจโอเรานิ่พัดหลงไปแล้วเนาะนะเพียงแค่รู้นิดเดียวนะเข้าใจว่าตัวเองรู้มากนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องต้องสังเกตต้องรู้ต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มรู้ว่าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะสอนคนอื่นนะตรงนั้นให้ระวังให้ดีเลยนะตรงนั้นเป็นจุดอันตรายนะสาหรับคนปฏิบัติแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้เราหลงตัวเองเข้าใจว่าเรารู้แล้วะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราจะสอนคนแล้วะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ย ตัวภพนิธามาเองก็ จ, จะหลงไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วเราน้อมมาสังเกตนะแล้วก็เรามาปฏิบัติลงไปนะเราก็กลับมารู้สึกตัวอีกนะมาเลิกสึกตัวที่กายเคลื่อนไหวอีกนะตรงนี้ช่วงหนึ่งพรรษาที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะก็มีความรู้สึกพอใจ พึงพอใจประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองว่ามีที่พึ่งนะให้กับตัวเองนะที่พึ่งที่แท้จริงก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะหลังจากที่ได้ศึกไปนะก็ได้ไปใช้ชีวิตนะประกอบไปด้วยสตินะแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างนึงว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราเพียงแค่รู้เริ่มต้นเท่านั้นเอง ไปใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็มีเผลอบั้งพลาดบ้างลืมไปบ้้งเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสในช่วงปิดเทอมนะก็จะมา <c oughs> ปฏิบัติกับหลวงพระเทียนที่วัดสนามนายบ้างวัดโมกบ้าง <c oughs> ได้มีโอกาสมาพบหลวงพ่อคำเขียนนะ <c oughs> หลังจากหลวงพระเทียนท่านได้เสียไปแล้วแต่ก่อนน้นั้นก็ได้พบท่านอยู่นะเป็นครั้งคราว โนะดยเฉพาะไปที่วัดโมกนะบางทีหลวงพ่อคาเขียนนั้นก็ไปช่วยหลวงพ่อเทียนจัดปฏิบัติอบรมกันนะก็ยังประทับใจท่านอยู่แล้วก็ปี2 5 2 5นั่นแหละก่อนที่จะลาศิกขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตเป็นครั้งแรกนะช่วงนั้นนี่มีคนน้อยมากนะมีหลวงพ่ออยู่3รูปเท่านั้นเองคือหลวงพ่อกําเขียน หลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็าจา์ทองนะส่วนคนปฏิบัตินี่น้อยมากๆนะคนที่จะมาที่นี่ได้แสดงว่าเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆและบรรยากาศที่นงเงียบสงบนะไฟฟ้าไม่ก็จะมีนะอยู่กันแบบธรรมชาติแล้วก็หลวงพ่อกำเขียนก็ให้เราปฏิบัติเต็มที่นะโดยเสรีและท่านก็คอยดูแลนะคอยไปสอบถามไปพูดคุย นะซึ่งตรงนั้นก็เป็นบรรยากาศของการสนับสนุนนะช่วยเหลือนะให้เรามีใจนะที่จะประพฤติธปฏิบัตนะิซึ่งสิ่งนีน้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับนะตั้งแต่นั้นมานะแล้วก็แวะเวียนมาอยู่เสมอนะตั้งแต่เสียหลวงพ่อเทียนไปนะก็ได้มาศึกษาฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อคำเขียนต่อนะอยู่เรื่อยนะซึ่ง <c oughs> ตรงนี้เนี่ย ระยะเวลาที่เราได้ศึกษาเนี่ยก็มันก็ <c oughs> ไม่ต่อนเนื่องเท่าไหรนะ่บางทีขณะที่มาปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ปฏิบัติมันก็ดีชัดเจนนะแต่พอเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมันก็เลือนไปมันก็เสื่อมไปนะเรียกว่า <c oughs> เรายังห่วงใยยังให้ความสำคัญกับเรื่องการงานอยู่นะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามนะที่จะ นำเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันนะมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยนะทำงานมา30สบกว่าปีนะก็คิดว่าได้ทำงานให้กับโลกให้กับสังคมมาพอสมควรนะแล้วก็มาระลึกถึงว่าเออเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยช่วงนั้นก็ <c oughs> เริ่มเจ็บป่วยเสียงไม่มีนะคือทำงานมานานแล้วจนเสียงไม่มี นะตอนนั้นอาจารย์ทรงศิลป์ก็ได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปสอนคนปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ชวนให้มาบวชนะก็เอถ้าจะดีนะก็เลยถือโอกาสมาบวชนะแล้วก็เคยคิดไว้ในใจนะว่าในบั้นปลายของชีวิตถ้ายังไม่ตายสักก่อ น, นจะต้องมาอยู่กับหลวงพ่อคําเกียนนะหลังจากสิ้นหลวงพ่อเทียนแล้วนะเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านก็ดี สิ่งที่ท่านเป็นอยู่ก็ดีเนี่ยนะกิริยาอาการที่เราเห็นเนี่ยเราเรื่อมใสศรัทธาความสงบเย็นความมีเมตตานะความเอื้ออาทรนะที่ท่านมีต่อผู้ปฏิบัติเนี่ยทำให้เรายังประทับใจแล้วก็ตั้งใจนะว่าถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยนะเราคงจะได้มีโอกาสนะมาบวชแล้วมาอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านนะแล้วก็ในปี2อง0ห <c oughs> 54ีที่ผ่านมานี่แหละนะก็เป็นโอกาสดีเราได้สางงานต่างๆเรียบร้อยนะแล้วก็ <c oughs> คิดว่าขอใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยกับเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะก็เลยมีโอกาสมาบวชช่วงสามปีที่ได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะถือว่าได้มีโอกาสปฏิบัติเต็มที่ถ้าพูดไปเนี่ย ถือว่าเป็นคนโชคดนะีโชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนได้มาปฏิบัตินะแล้วก็ช่วงสามปีเนี่ยเป็นช่วงที่ได้ปฏิบัติเต็มที่สามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคุกขานนะแต่ช่วงสามปีนี้เป็นช่วงที่ ใกล้ชิดหลวงพ่อกำเขียนนะแล้วก็ได้ปฏิบัติท่านอย่างเต็มที่มีความมั่นใจมีความศรัทธาในการปฏิบัติเป็นผู้ <c oughs> สืบต่อคำสอนของหลวงพ่อเทียนแล้วก็นำมาสู่จิตใจของเรา แต่ก็ยอมรับอยู่นะว่า <c oughs> ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็เห็นทางแล้วล่ะที่เราจะเดินไปนะแล้วก็ในช่วงนี้นแม้ว่าหลวงพ่อกำเขีย น, นท่านจะอาภาตแต่ก็เราก็ <c oughs> ยังมีความเลื่อมใสศรัทธ า, า <c oughs> เมื่อครั้งที่ท่านไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาได้ไปกราบท่าน ท่านก็เล่าให้ฟังว่าค <c> ร <oughs> ั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าอาพาธมีพระรูปหนึ่งนะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าไม่ได้ไปดูแลพุทธเจ้านะก็เป็นที่ตำหนินะของหมู่สง่ด้วยกันนะพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้นะก็ได้บอกว่าอย่าไปตำหนิกขาเลยนะ แล้วก็ได้เรียกพระภิกษุรุปนั้นมาถามว่าเขาว่าอย่างนั้นจริงหรือแล้วทำไมเธอทำอย่างนั้นนะภิกษุรุ่มนั้นก็บอกว่าได้เห็นพุทธองค์เนี่ยท่าน อ, อ, อาพาธหนักนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาอยู่กับพวกเราอีกมากน้อยแค่ไหนก็เลยตั้งใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ นะในสิ่งที่ท่านได้พูดนะเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลปนะระกอบกับเห็นว่ามีภิกษนะุส่วนใหญ่ช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะก็อยากจะเอาสิ่งที่ท่านได้พูดท่านได้สอนเนี่ยนะมาปฏิบัติให้เกิดผลนะซึ่งพระ เ, เจ้าได้รับฟังอย่างนี้ก็อนุโมทนาสาธุนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อกำเขียนเนี่ย ท่านพูดให้พวกเราเนี่ยอย่ามามัวห่วงใหญ่หนในอาการอาภาษณ์ของท่านมากนักให้ไปปฏิบัติกันให้ไปทําสิ่งที่ควรจะทํานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแสดงถึงจิตใจของท่า น, นว่าไม่ต้องมาห่วงใหญ่หนใน อ, อการอาภาษณ์ของท่านมากนักแต่ตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์เราคงไม่ปล่อยป่านนั้นเลยนะเราก็คงต้องดูแลกันไป นะแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องของการที่เราจะนาสิ่งที่ท่านพูดนามาทำนะท่านพูดเสมอเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคือสิ่งที่ท่านทำเมื่อเราได้ยินเราก็นํามาทำนํามาปฏิบัตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> พวกเรานะจะเป็นการบูชานะเรียกว่าอาจารยยาบูชาที่แท้จริงนะก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัติ นะพันษานี้ผ่านมาหนึ่งเดือนนะถ้าเรายังมัวที่จะไปเพลิดเพลินนะกับการสันนาการการพูดการคุยการคุกคีกับหมู่คณะนะเราก็จะเสียโอกาสนะสิ่งที่หลวงพ่อกำเขียนได้พูด็ดีพระอาจารย์ไพศาลพู ด, ด็ดีหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายพู ด, ด็ดีนะเราได้ยินได้ฟังทุกวัน นะสิ่งที่เราได้ยินในฟังเนี่ยถ้าเราไม่ได้น้อมนำไปปฏิบัติเนี่ยก็น่าเสียดายนะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการชี้ทางให้เราเดินเมื่อเราได้ยินแล้วเราก็ควรจะเดินนะถ้าเราได้ยินแล้วเรายังเฉยเฉยอยู่นะก็น่าเสียดายทีเดียวนะและมันก็จะไม่ได้สัมผัสนะกับความจริงของชีวิตนะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ นะเป็นความปกตนะิที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสกับมันความสุขนิดนี้เป็นความสุขที่ได้เปล่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องหาซื้อไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหาที่ไหนนะเพียงแต่ว่าเราปฏิบัตินะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พูดได้ทำให้เราเห็นนะตรงนี้เนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ หลวงพ่อคำเขียนทัานอาภายเนีเราเขียนได้ชัดเจนเลยนะว่าท่านได้แสดงให้เราเห็นเลยว่าความป่วยเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่เหนือไปจากจิตใจของท่านใจของท่านอย่างปกติอยูนะ่นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้เห็นแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอกับพวกเราในเช้าวันนี้นะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง นะเลยเวลาไปห้านาทีละนะในท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์และก็ความภาคเพียรพยายามของพวกเราทุกคนนะได้น้อมนำเอาคำสอนคำพูดนะของหลวงพ่อคำเขียนนะพระอาจารย์ไพศาลครูคบาอาจารย์ทั้งหลายนะไปพิจารณาไตรตรองนะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ นะด้วยความเพียรความพยายามนะความไม่ย่อท้อนะก็คงจะช่วยให้ทุกท่านนะได้ประสบกับความเป็นปกติของใจนะที่เป็นธรรมชาติเดิมแทนะ้ที่มีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนในเร ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเตินเจริญพร